ขาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตามาลงสักผีนานอยตอสิ่งควรเห็นไม่ได้ดูสิ่งควรรู้ไม่ได้เห็นตั้งใจใหม่ครับเขาไหม่ล้างใหม่ที่อาจารย์พยายามจะมันเข้าไปดูอาจารย์จะจําให้มันไม่ให้ดูแล้ว อ, อีกแล้วจะเข้าไปดูอีกแล้วไม่ให้ดูมันจะเข้าไปดูจิตไม่ให้ดูจิต ม, มันจะดูจิตไม่ให้ดูจิต แค่มันออกมาอย่างเงี้ยทํำยังไงมันออกมาตลอดไม่ต้องดูจิตมันว น, นอยู่แค่เนี้ยหลายปีมากเลยอาจารย์ <c oughs> จะพยายามจะสอ น, นอยังไงอ่ะมันไม่มีคําสอนคําคําอธิบายอย่างอื่นเอะพ น, นเลยมันมีเป้าหมายอยู่อย่างเดียวจะให้อาจารย์บอกอยู่อย่างเดียวว่าทํายังไงอ่ะมันเข้าไปดูจิตจำงไง้แม่เข้าไปดูจิตเนี่ยเนี่ยมันไม่ดูจิตอย่างเงี้ยเออดีดีดี แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูจิตอีกและพูดหยุดแค่เนี้ยแล้วหลายปีมากเลยนะจะไปยังไงเนี่ยจะไปไม่ถูกเลยแล้วที่สอนมาต้องโหทุกวันเลยแนละ้วแต่อาจารย์มาอยู่เนี่ยสอนหลากหลายมากเลยไปฟังในในในวิดีโอเลยตั้งแต่อาจารย์มาเนี่ยสอนเยอะมากเลยแต่อาจารย์มีคําถามเดียวอยู่อ ย, อย่างนี้เตาซีอยู่ตรงเนี้ยสอนนู่นโหสารพัดจะสอนทั้งคืนเจะมาคืนก็สอน อาจารย์มีเป้าหมายเดียวถามคำถามเดียวตลอดเลยแสดงว่าในใจของอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้ฟังเลยมันไม่ไม่ได้ฟังเลยเมื่อคืนก็สอนอยู่ซึ่งเยอะแยะมากมายเมืช้าเมื่อวานอาจารยก็ถามอย่างเงี้ยตอนที่ก็ถามในนี้อีกเป็นหน้าอะไรถามแต่อย่างเนี้ยคือเพอเอินไปเห็นเข้าแล้วก็เห็นว่าเออเราก็ยังทําแบบนี้อยู่อีกอ่ะค่ะโอ้มันหลายปีแล้วมันมั น, <อ>มนไม่ไม่ได้ตั้งใจฟังมันก็เลยไม่พัฒนาต่อยอดอาจารย์ อยาให้อาจารย์พัฒนาต่อยอดตั้งใจฟังใหม่ล้างทิ้งเลยตัวเนี้ยลองคิดความเห็นตรงเนี้ยต่อให้อาจารย์น่ะมันลอยตัวออกมาโดยไม่ไม่เข้าไปดูมันอีกก็ไม่ได้พ้นทุกนะ <niin S 1> อาจารย์ได้หมายเอาตรงเนี้ยมันจะพ้นทุกข์ล่าจารย์ก็คาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของไม่เที่ยงไอการที่มันเข้าไปดูมันก็ไม่เที่ยงไอการที่ไม่เข้าไปดูมันก็ไม่เที่ยงอาจารย์จะพยายามวางเป้าหมายว่า ทำมันออกมาร้อยตัวโดวยไม่เข้าไปดูจิตมันจะพ้นทุกข์มันก็เลยวางเป้าหมายที่เอาแต่ตรงนี้ไม่จังอื่นสอนไม่ฟังก็พยายามจะเข็นอยู่ยตรงเนี้ว่าเราซีถามอยู่ตรงนี้ว่าทำยังไงมันจะไม่เข้าไปดูจิตเ น, นี่ยมาดูจิตอีกแล้วอาจารย์เข้าไปดูจิตอีกแล้วทำยังไงมันจะไม่เข้าไปดูจิตอาจารย์ก็เลยจะมือวางเป้าหมายอย่างนี้อยู่ว่าจะมันไม่ดูจิตแล้วมันจะพ้นทุกข์ มันจะพ้นทุกข์ด้ยอย่างนั้นได้งไงมันไม่พ้นทุกข์หรอกเราไปวางเป้าหมายผิดอย่างนั้นส อ, ยอยนอะไรมันก็ไม่ฟังเพราะมันมจะเอาตรงนี้ว่าถ้าไม่ดูจิตเมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์แต่มันการไม่ดูจิตมันก็ไม่พ้นทุกข์คือเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ได้นี่นค่ะหลวงตาว่าการที่เราเห็นนะคะว่าจิตน่ะที่มันเข้าไปดูของมันก็เป็นเรื่องที่ของมันเป็นของเรื่องของเขาที่เขาจะเข้าไปดูซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เที่ยง คือสิ่งที่หนูเห็นก็คือมันก็ไม่มีอะไรมันก็เข้าไปดูของเขาแล้วก็ออกมาเข้าเขาจะเข้าก็เรื่องของเขาเพราะตอนนี้หนูก็ไม่ได้ไปหมายถึงว่าเห็นกิริยาคือแค่รู้ว่ามีกิริยาอันนี้เกิดขึ้นแค่นั้นใ้มไหมคะแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรก็เห็นแค่กิริยาอาการเห็นกิริยาอะไรเห็นกิริยาก็เข้าไปดูจิต คือเห็นว่าเขาเข้าไปดูเฉยเฉแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปหมกมุ่นกับเขาเราก็แค่รู้ว่าเออเขาเข้าไปดูก็จบแล้วค่ะตอนนี้หนูก็จบที่ตรงนี้แล้วอะค่ะจบแล้วไปยังไงต่อก็ตอนนี้เหรอคะเห็นเข้าไปดูแล้วจบแล้วจะไป็นไงต่ออ๋อก็แค่รู้อะค่ะว่าเขาเข้าไปดูก็ไม่มีอะไรนี่ค่ะหนูก็เข้ามาคุยกับหลวงตาตามปกติตอนเนี้ค่ะไม่ใช่แล้วจะปฏิบัติยังไงต่อล่ะก็หมายถึงว่าจะปฏิบัติยังไงต่ออย่างที่หลวงตาว่าก็คือว่าให้เป็น เนี่ยค่ะหมายถึงให้อยู่กับปัจจุบันที่เราเห็นว่าเรากําลังคุยเราก็คุยเราเดินเราก็เดินแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดมีอะไรเข้ามาอันนั้นก็คือกิริยาการพวกนี้ก็คือของไม่เที่ยงหมดก็คือสิ่งที่มันนะคะเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ได้ไปยึดกับมันนะคะ่ะแล้วพราะตอนนี้หนูก็ไม่ได้เข้าไปยึดเหมือนกับว่า ดูแล้วก็ต้องเพ่งแล้วก็สงสัยก็ไม่ใช่ก็แค่รู้ตอนนี้ตอนนี้นี่เดี๋ยวนี้นี่วัยกว่าเก่าคือเข้าไปเห็นว่าเข้าปุ๊บก็แค่เห็นนะคะอืมคือเห็นแล้วเราก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เราก็ไม่สนใจเขาอ่ะเขาอยากจะเข้าไปดูก็ปล่อยเขาเข้าไปดูอะค่ะตอนนี้แล้วยังไงต่อแล้วมันพูดทุกอย่างไงเนียเดียด๋วยว ไม่ได้ใส่ใจมาเนาะค่ะตอนนี้มันจะพ้นทุกข์ไหมล้วค่ะแล้วจ ะ, ะยังไงก็แค่ให้รู้เฉยๆคะ่ะตอนนี้รู้ว่ายังไง ร, รู้อะไรรู้รู้ว่ามันทําสิ่งเหล่านี้คือแค่รู้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปให้ค่าเขาคะ่ะแล้วก็ไม่ไปหยุดนิ่งอยู่ที่เขานานๆด้วยหรือไปนึกคิดต่อทอํายังไงอาจารย์เพืเห็นตัวเองเราตัวเองไปเห็นอย่างอื่น ตัวเองไปเห็นกิริยาการของจิตเอาตัวเองไปเห็นสิ่งรอบตัวจะทํำยังไงอาจารย์ถทิจะเห็นตัวเองตรงนี้ทําังไงอาจารย์ทิจยเห็นตัวเองแต่อาจารย์ตัวเองเอาไปเห็นกิริยาการของจิตไปเห็นสิ่งรอบตัวไปรู้สิ่งรอบตัวแต่ไม่เห็นตัวเองจะทํำยังไงที่อาจารย์ทิจยาเห็นตัวเอง ทำไงอะอยากจะให้จานเห็นตัวเองจานต้องจานเห็นตัวเองแต่จะเอาตัวเองไปเห็นอย่างเงี้ยเอาตัวเองไปเห็นคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยสมมติเลยนะเวลาเห็นอาการของจิตก็เหมืนกัเห็นเอาตัวเองเราไปเห็นเห็นคนนู้นคนนี้เห็นอาการจิตเวลาจานเห็นอาการของจิตก็จางก็เอาตัวเห็ไปเห็นกิริยาการของจิตแล้วก็เวลาเตัวเองไปเห็นนกิริยาการของจิตก็เหมือนกับเอาตัวเองไปเห็นคนนั้นคนนั้นคนนั้นเดินไปคนนี้เดินมา ไปรู้แสงแดดรู้ลมพัดรู้นกร้องรู้สิ่งรู้สิ่งนี้จะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองผู้เห็นไม่เห็นตัวเองผู้รู้ไอตัวเองผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยมันรู้อะไรมันบน่นแต่ละพัฒนาบ่นจะผู้จุกเดียวกับตัวเองอะมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมันไม่เห็นแต่มันไปเห็นอาการของจิต มันเห็นนัการทุนจีบมันก็เห็นคนค น, างงา น, นู้นเห็นคนนู้นทำอย่างนู้นทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ทำไมคนนี้เาอย่างนั้นทำไมเาไม่ทำอย่างนี้เลยทาไมเขาไม่ช่วยทให้ น, นี่ทาไมเขาเป็นอย่า ง, งาน้นเป็นอย่างนี้เราเห็นแต่คนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองแหบมบมับก็เหมือนกันเนี่ยเห็นแต่คนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองมันก็เลยเพ่งโทษต่อคนอืนอนนอน่นเห็นแต่คนอื่นอย่างูนอย่างี้เียอย่างี้อย่างี้อย่างี้ไปยุ่งกับคนอื่นหมดอะมันเห็นแต่คนอื่นเนี่ยัการนจีบก็เหมือนกันน่ะแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวไม่เห็นตัวเองมั น, นก็ ไม่รู้จะพูดว่ายังไงที่เราอยากจะบอกเมื่อไม่เห็นตัวเองมันก็เลยไม่เห็นมันจะพทุกอย่างไงเพราไอ้ตัวเองเห็นอะไรมันจะจุ๊กจิ๊กจุก๊หรือไม่จุ๊กจิกุกจ๊กมันก็จะเห็นมันไปเห็นอะไรหรือเห็นอาการของจิตมันก็จะใจของตัวเองก็จะนิ่งแค่นั้นนิ่งในการเห็นอยู่แค่นั้น อันนี้ก็ไม่ถูกอี ก, ก, อกเห็นตัวเองทำไมจะเห็นตัวเองกันเขาเห็นตัวเองได้เลยตัวเองไปอ่ะมันคือความไม่มีอะไรตัวเองนี่เป็นด่านสุดท้ายถ้าเลยเลยตัวเองไปแล้วไม่มีอะไร ทำไมที่เองได้มันเห็นอาการหองใจเหมือนกับเอาตัวเราไปเองคนอื่นให้คนนี้นทไมทำงี้คนนี้นทำงี้ทำไมคนนี้นไม่ช่วยทำอย่างงี้เลยให้คนนี้เต็มเป็นอย่างงี้คนนี้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นวลาไปเราไป็ไนย่งไรเราก็เร า, าบน่นมีโมบีโมบี เราลยไม่เห็นตัวเองเห็นแต่คนอื่นเวลาเห็นอาการทางจิตเหมือนกันเวลาเห็นอาการทางจิตเมื่อกี้อาการทางจิตมันก็เลยเหมือนคนอื่นเอ๊ะมันเข้าอีกแล้วเอ๊ะมันเพ่งอีกวเอออันนี้อย่างนี้เราก็รู้มันอยู่เฉยมันจากเพ่งอย่างี้ก็เรารู้มันอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรกับมันนะเออตอนนี้เรารู้มันอยู่เฉยและแต่คนที่อาการที่เพ่งไีมันก็เหือนอาการที่เพ่งก็เมือนกเห็นคนอื่นอเงี้ย ไอ้ที <mister tumors> ่เราไปเห็นมันมันเพ่งหรือไม่เพ่งอ่ะเราเราพูดถิกสับพัดจะพูดเลยงูงิงงูงิงงูงิงเราไม่เห็นเลยเออมันไม่เพ่งก็ดีแล้เพ่งนี้เออเราอยู่เรารู้มันเฉยเฉยแล้วตอนนี้เราไม่ต้องทํำไรกับมันเออดีและเราสามารถรู้มันอยู่เฉยเฉยได้แต่มันอยู่เฉยแล้วมันพูดไงมันพูดสารพัดจะพูดอย่างที่เราว่าเนี่ยเราแค่รู้มันอยู่เฉยเฉยได้แต่มันพูดตสารพัดเลยมันพูดสารพัดจะพูดเกิดตัวเองเออดีดีแล้วเนี่ย มันไม่ไปอยู่กับบ้านดีแล้วไมนจะเพ่งกับเพ่งไปเราก็รู้อยู่เฉยๆอย่างนี้แหละแล้วเราไม่เห็นตัวเราพูดว่าอย่างเงี้ตัวเราบ่นว่อย่างเนี้ยไม่มีแล้วก็ที่เราเราจะไม่บน่นไม่พูดแต่ทั้งวันเนะี่ยถ้าเราไม่เห็นอย่างเนี้ยเราก็จะเราจะเห็นแต่ข้างนอกมองแต่ข้างนอกเราเราก็มองใจตัวเองแต่ไม่เห็นตัวเองมันเท่ากับมองข้างนอกเพราะอาการของติตเขาเรียกว่าทำอารมณ์คืออาญตชนะภายนอก เลยเร how, enfin ียกว่าส่งออกนอกตลอดเรานึกว่าเราดูคเราดูเราดูเรารู้ข้างในแต่ไม่ใช่สกออกนอกเพราะอาการของจิตมันเป็นธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกเท่ากับเราสออกข้างนอกตลอดเลยรูปเป็นอายตนะภายนอกเสียงเป็นอิยตนะภายนอกกินเป็นอายตนะภายนอกลสเป็นอยตนะภายนอก ปัตตาห์ที่มากระทบกายเป็นอนายตนะภายนอกทำอารมณ์ความรู้สึกนึกจิดอารมณ์อาการเพ่งอาการจ้องอาการดอาารูอาการพยายามรู้อาการพยายามอย่างกุญเพยายามอย่างนี้เป็นอนายตนะภายนอกหมดถ้าเรายุ่งแต่อายตนะภายนอกมันส่งเรียกว่าส่งจิตออกนอกเราไม่เห็นตัวเอง ตัวเองมันไปรู้อะไรแล้วมันบ่นโอ้โหมันพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอมันรู้อะไรอายตนะภายนอกอมันรู้ตารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ทำมาล้มรู้อาการทางกายอาการทางใจรู้โปร่งโล่งเบาสบายรู้แน็ดอึดอัดทึบรู้เพ่งรู้จ้องรู้พยายามรู้มีอาการอย่างนู้นอย่างนี้มีอาการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเนี้ยมันเป็นรู้อายตนะภายนอก ไอ้วิ ญ, ญญาณประตูที่ไอ้วิญญาณอ่ะขันที่ห้าเนี่ยมันรู้อะไรไมันต้องบ่นมันต้องพูดมันต้องคิดต่อเรายังไม่รู้เลยตัวเนี้ยเราไม่เห็นมันเมื่อเราไม่เห็นมั น, มนเลยพลาดหมดเราไม่รู้มมมููเห็นอาการมันยุกยิยกตอนที่หลวงตาพูดว่ามันบน่นตอนนั้นอะเห็นอาการที่มันยุกยิกมอยู่ในใจเหมือนกับมีคลื่อนอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจอ่ะฮะ จะไปดุคื้นอย่างนั้นดูคือจะเป็นคื้นก็ได้จะเป็นยุบยิบก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้คือมันมันรู้อะไรมันจะต้องบ่นอ่ะให้ให้รู้ไวให้ให้รู้สมปติฐานอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะรู้ทางตาท้งหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ว่าจะรู้ทางใจทางธรรมอารมณ์อาการของใจทุกชนิดเนี่ยมันรู้อะไรมันจะบ่นตลอดพูดตลอดแล้วก็เราก็เห็นในตัวเนี้ยรู้ตัวเนี้ยรู้มันจะเพื่ออะไรหลักรู้เพื่อความปล่อยวาง มันจะได้ปล่อยวางตัวเราแล้วเลยตัวเราไปอีกมันก็จะคือเป็นความไม่มีอะไรแต่เราไม่เห็นตัวเองอะเราก็จะรู้แต่ระยตทางภายานอกเอถ้าอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยนะคะก็คือจะเห็นตรงตัวเนี้ค่ะงั้นก็ให้ให้รู้ตัวนี้แล้วก็ปล่อยที่ตัวนี้แทนคือมันจะมีอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆเลยอะค่ะหลวงตานนี่มัไตลอดเวลาเลยตลอดชีวิตอะแนมี่ยุดไอตัวเนี้ยมันตลอดเวลานี่คือมันเป็นธรรมชาติ มันรู้อะไรทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแต่ตัวเราเนี่ยบ่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้คือเห็นอยู่เรื่อยเลยอ่ะก็เห็นตัวเนี้ยเนี่ยเราไปเห็นแต่ไม่เพ่งเนี่ยมันเป็นอาการที่ถูกรู้แต่เราผู้รู้เนี่ยแล้วมันมันบน่นมันพูดอะไรเราไม่รู้เลยตรงเนี้ยมันก็เลยเสียท่ามันเลยเสียเวลาไปหลายปีงั้นท่านหลวงตาพูดอย่างนี้หนูก็เห็นตัวยุกยิกตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วแล้วพอเวลาที่อายตนะมันไปรับรู้หรือเห็นอะไร หรือหูได้ยินอะไรคืออายตนะไปรับมาแล้วเนี่ย ม, มันจะมีอาการตัวนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยเลยอ่ะค่ะนั่ น, หนแหละต่มันมันไม่ไอตัวเนี้ยมันต้องอยู่คู่กับเราจะวันตายแต่เราเห็นมาแล้วเราปล่อยวางมันให้หมดไ ม, ไม่ยึดมันเอามาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา ง, งั้นหนูก็เข้าใจผิดมาตลอดแล้เพราะเกิดก่อนหนะ้านั้นเคยเข้าใจว่าไอตัวเนี้ยคือตัวที่เหมือนกับ ว, ว่า มันไปติตมันไปทําการเหมือนกับไม่พอใจหรืออะไรอยู่ในใจของเราหรือว่าต้องการพูดอะไรออกมาหรือว่าหรือว่าเราต้องการที่จะนึกคิดว่าเป็นตัวเนี้ยมันจะเหมือนอยู่ในใจที่มันยุ่ยยุยยนิดนึงอ่ะค่ะเนี่ยแหละตัวนี้นนะค่นะอืมเราต้องบอกอาจารย์ปฏิบัติผิดตัวมันดนนานมากเลยเสียเวลาไปหลายปีมากเราพูดอะไรก็ไม่ฟังไม่ช่วยฟังคือไม่เข้าใจไม่รู้ตัวเอง <laughs> ลืมตาก็นี่ไนงะเราพูดเองเราไม่รู้ตัวเองใช่ไหม ไม่รู้ตัวเองเห็นไหมเราพูดเองเมื่อกี้เนระไม่รู้ตัวเองเ <c oughs> ราบอกให้รู้ตัวเอ ง, ตเองแต่ไปรู้อย่างอื่นเราบอกให้รู้ตัวเองอยู่ท่านไหก็ให้รู้รู้แต่อย่าง อ, างอื่นไปรู้แต่อาการเพ่งแล้วบอกว่ามันไปรู้ที่เพง่งแล้วมันใครพูดเหรอเราเนี่ยบน่นแต่เราพัฒจะบน่นเราจะพูดอยู่คนเดียวเนี่ยงั้นก็ให้เห็นที่ตัวนี้แล้วก็ปล่อยวางที่ตัวนี้แทนค่ะค่ะ เห็นตัวนี้เราปล่อยวางไปหมดซิ่ง ม, มันก็เท่ากับปล่อยวางตัวตนปล่อยวางตัวเราปล่อยวางตัวตนของเราไปหมดซินมันก็จะพ้นจากทุกได้เพราะไอ้ตัวเรานเนี่ยมันพาเหตุให้เกิดทุกข<ม>์วุ่นวายสารพัดใช่หงตาเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ที่ฟังมานึกว่าปล่อยวางนี่คือปล่อยพวกกิริยาอาการทั้งหลายที่มันมีไม่คือไม่ได้เข้าใจว่าเออ น, นี่คือภายนอกที่สงตาบอกคือเห็นกิริยาการเหล่านี้ แต่ภายในของเรามันจะมีอาการอีกอาการหนึ่งที่มันเกิดขึ้นของมันที่มันจะบ่งบอกให้ทราบว่านี่คือเราเริ่มไม่พอใจหรือเราเริ่มอึดอัดหรือเราเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ต่างหากก็ให้เราปล่อยที่ตัวนี้แทนปล่อยที่ตัวเราตลอดเวลาจะไม่ไเรื่อื่นได้อย่างนั้นมันจะเอาตัวเราไปปล่อยอย่างอื่นไม่พ้นทุกทีนี้เริ่มเริ่มผิเริ่มพอใจตัวเราถึงจะพ้นทุกค่ะปล่อยวางตัวเราผู้ไปรู้อะไรแล้วมันบ่นนี่ไง เราเราไปรู้อะไรแล้วมันพูดมันบ่นมันวิพากวิจารเขามันไปรู้แต่คนอื่นนนแง่มุมมันกันมันไปรู้แต่บนนอกบนคนนั้นบนคนนี้บนสิ่งนั้นบนสิ่งนี้แต่มันไม่บนตัวเองไม่พูดมันไม่เห็นตัวเองบนมันเลยไม่ปล่อยวางแต่มันก็เลยเพ่งโทษกลายเป็นเพ่งโทษผู้อื่นไปไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเป็นกระหมดอะเทนก็เหมือนกันเนี่ยเป็นกระหมดไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยไม่เห็น หมเลยเมื่อไม่เห็นปุ๊บมันก็เลยแบบว่าปฏิบัติมันเนิ่นช้าเนิ่นช้ามานานหลายปีมากไม่เห็นตัวเนี้ยมันเห็นแต่เอาตัวเราไปเองข้างนอกนเหนมันไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวเราไม่เห็นตัวในไม่เห็นตัวเรามันเอาตัวเราเนี่ยไปไปเห็นแต่ตัวอื่นไม่เห็นตัวเราลองสัเกตดีๆดิตัวเราเห็นอะไรเนี่ย มันไม่มีหลักเห็นที่เฉยไม่มีหรอกใครบอกว่า<ๆ>เห็นเห็นที่เฉยได้ยินที่เฉยเฉย อ, อยู่นั่นแต่ไม่มีหรอกบน่นต่ละพัะจะบ่นบางคนบอกบ่นอะไรไม่เห็นเลยมันเฉยว่างอย่างเดียวเฉยว่างไม่มีหรอกคนไหนเฉยว่างได้ไม่มีหรอกมันเห็นอะไรธรรมชาติไป้องจิตขั้นใหม่มันต้องพูดตัวเราเนี่ยมันเห็นอะไรมันจะต้องพูดต้องบ่นต้องอะไรเงี้ยแต่มันไปเห็นแต่เฉยว่างเฉยว่างเงี้ยหรือไปเห็นแต่อาการภายนอกมันไม่เห็นตัวเองวิพาควิจารเขา วิพากษ์วิจารสิ่งนั้นสิ่งนี้วิพาควิจารสิ่งนู้นสิ่งนี้มันเห็นอะไรได้ยินอะไรมันสัมผัสอะไรมันรีบรัอาหารอะไรมันจะต้องวิพากษวิจารณ์ตลอดแน่ไม่มีเราไม่แต่กินอาหารตอนเช้าเนี่ยกินไปมันต้องวิพาก์วิจาร์ไปนัแน่โอ้อร่อยไว้อร่อยไว้โอ้ไม่อร่อยเลยโอ้โหทาทําบางคนก็พูดคำหยาบนะโอ้โหทำหมาไม่แดกเลยอะไรเงี้ยมันก็วิพาก์วิจารณ์สารภาพจะวิพาก์วิจารณนั้นไม่เห็นตัวเองจะไปเห็นได้ อาหารที่ก็ปรุงจะไม่เห็นตัวเองไปวิภาควิจารณ์เขาเวลาปฏิบัติได้มันต้องเห็นตัวเองเห็นที่เห็นตัวเองเนี่ยไปวิพาควิจารณ์ไปวิตกวิจารณ์ไปตึกตรองทุกขณะที่กระทบมันจะต้องทําอย่างนี้เสมอจิตเนี่ยมันจะต้องไปวิตกวิจารณ์เขาไปตึกไปตรองประพัดเลยตาขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันตาเห็นอะไรจิตตัวเราเนี่ยก็ต้องไปตึกตรองวิตกวิจารณ์วิพาควิจารณ์เขา ไม่ว่าจะเห็นคนตัดสิ่งของกระทบออกไปกระทบร้อนหน่อยมันก็นไอตัวเราก็โบนแล้วโอ้โหทำไมร้อนไม่ร้อนจริงๆเว้ยวันนี้ร้อนร้อนจริงๆมันคนพูดหยาบแนละ้วก็โอ้ยร้อนชิบหายเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นตัวเองโบนเนี่ยมันเห็นเนี่ยโบนแดกโบนอะไรเนี่ยโบนไปทั่วหมดแต่ไม่เห็นตัวเองโบนถ้าเราเห็นตัวเองเราจะเห็นว่าตัวเองก็น่าเกลียดมากเลยแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ย S <S <S <an> แต่ว่าเราเราเห็นมาแล้วเราก็เเบื่อมาแล้วเราเราก็ปล่อยวางตัวเราไปให้พ้นจากตัวเราไปคือปล่อย่อยทิ้งมันไปให้หมดเห็นตัวเราแล้วปล่อยปล่อยวางตัวเราปล่อยทิ้งตัวเราไปให้หมดมันสารพัด จ, จะพูดไม่เช่นสังเกตให้ดีๆเถะแม้แต่รู้อาการทางใจรู้ว่ามันยังพูดเลยมันยังบ่นอยู่คนเดียวแม้แต่มันมันไม่ว่ามันแน่น อ, อดึดอัดมันก็พูดอยู่คนเดียวมันพูดตลอดแต่มันไม่มีหรอกแต่เราไม่เห็นเอง เราสอนให้เห็นตัวเนี้ยแต่ไม่เห็นที่ข้างนอกไปเห็นแต่ตัวอื่นไปเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อเห็นคนนั่นคนนี้อยู่นั่นแน่มันไม่เห็นว่าเห็นเขาแล้วมันใจมันบ่นว่าไงมันพูดว่ายังไงมันเอาใจไปคอเคลียเขาอย่างไงมันไม่เห็นมันจะไม่เห็นแต่ผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อแล้วเห็นคนนั่นทําถูกใจไม่ถูกใจคนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นคนนั่นทำไมเป็นอย่างนี้แต่ไม่เห็นว่าตัวเองมันภูมิเป้งโทษเขาบ่นเขารักเขาชอบเขาวิพากษ์วิจารณเขา แ like ม่ ค, คนนี้แต่งตัวอย่างงั้นทําไว้ขู่คนนี้คนนี้แต่งตัวดีไว้ให้คนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นอุ้ยเห็นเขาทีเดียวมันพูดสัส้นสะพัแต่พูดเลยจอจอยจอยจอยอยู่ในใจเราสังเกตที่ดีเฮ้ยตัวเนี้ยถ ล, ล่พ้นจากตัวเนี้ยพ้นจากตัวเราไว้ได้เราก็จะหลุดพ้นเพราะไอ้ตัวแสบก็คือตัวเรานี่แน่มันพาไปหาเรื่องหาลาวุ่นวายหาทุกข์หาโศกหาเศร้าหารักหาช่างหาเกียรติเขาอาฆาตพยาบาทเขาก็ไอ้ตัวเรานี่แน่ตัวเรื่องก่อเรื่องถ้าหลุดพ้นจากตัวเราเห็นตัวเรามันน่าเกียรกาเอีก เราจะได้ปล่อยวางตัวเราไปเราจะได้หลุดพ้นไปหลุดพ้นไว้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์เราปล่อยวางตัวเราได้หลุดพ้นจากทุกข์มันไม่เห็นตัวเราไปเห็นอาการเพ่งอย่าง่อยอาการเพ่งหรือไม่เพ่งกระจายกระจับอยู่ตรงเนี้ยเพ่งไม่เพ่งเพ่งไม่เพ่งอยู่นั่นแหละมันไม่เห็นตัวเราบ่นว่ามันเพ่งมันบ่นม่าจะยังไงพูดไปยังไงไม่เพ่งแล้วมันพูดไปยังไง <K h ans> คนที่เห็นได้อาการนอกบางที่คนอื่นเขาว่าเอาหน่อยเนี่ยวางเห็นไม่ใครว่า เห็นแต่อาการนอกเห็นอะไรรั่วอะไรก็ว่างเฉยว่างเฉยเฉยว่างเฉยว่างคนอื่นเขามีแต่คนอื่นเขาบอกว่าฟุ้งซ่านสิ่นดีเลยคนเนี้ยเจ้าปัญหาจะตตัวเองอ่ะว่างว่างเฉยว่างเห็นแต่อาการว่างแต่ไม่เห็นตัวเองตัวเองอ่ะว่างแล้พูดว่าอะไรบ่นว่าอะไรไม่มีเราไปเห็นอาการว่างมันก็พูดว่ายังไงบ่นยังไงตลอดเนี่ะผมไปเห็นว่างว่างเนี่ยตัวเองอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเองแต่คนอื่นบอกว่า โอ้มามาบอกกับเราเนี่ยคนนี้เจ้าปัญหาที่สุดเลยเพราะว่าจะเอาไอ้นู่จะเอาไอ้นี่จะเอาไอ้นั่นไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้จะเอาไอ้นู่นจะเอาไอ้นี่กลายเป็นเราเนี่ยกลายเป็นตัวป่วนเจ้าปัญหาแต่เรากลับไม่รู้เราเนี่ยว่างว่างเฉยแต่คนอื่นมาบอกเขาว่าโอ้คนนี้กลายเป็นตัวเจ้าปัญหาไร้คนที่เฉยว่างเฉยว่างรู้แต่เป็นคนเจ้าปัญหาทั้งนั้นเลยแต่ตัวเองไม่รู้ตัเองเจ้าปัญหาแต่คนอื่นเขาบอกว่าฟุ้งซ่านยังไม่เห็นเลย แล้วตัวเองว่างฉเฉยไงฟุงซ่านน่าดูเลยว่างบางทีมันั่งอยู่เนี่ยว่างมัอยู่กนารับโทรศัพท์อยู่นั่นแหละเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรล้วบอกโทรไปหาใครเนี่ยโทรไปหาเขาจะบอกว่าอยู่ที่นี่อยู่อาจารย์ตอนนี้อยู่อาจารย์นะบอกโทรก็าโทรไปทั่วหมดเลยบอกตอนนี้อยู่อาจารย์อยู่อาจารย์เราว่าไม่มีสาระเลยฟุงซ่านเส้นดีในว่างนเฉยเลยไม่เห็นตัวเอง พวกนี้เวลาเข้าลงครัวเข้าไปในห้องครัวไปเอาข้าวเขาปวนหมดเลยถามเลยบ่น่าดูเลยพวกในครัวก็บ่นพวกที่เฉยว่างใจว่างบนจะตายเวลาเข้าไปในครัวเาข้าบนไปยุ่งวุ่นวายเามากเลยสารพัดเไอ้คนอย่างนี้ไอ้นี่อย่างี้ไอ้งั้นทไมอย่างนี้ไอ้นี่ทะไม่ันเฉยว่างแล้วมันวุ่นที่ตุแล้วตัวเองไม่รู้เรื่องจอมวุ่นเลยถือมปฏิบัติผิด ถ้าพูดเท่าไราก็ไม่ฟังไหเอาใหม่ปฏิบัติกันใหม่ให้เห็นตัวเองรู้ตัวเองอย่าไปเพ่งแต่โทษคนอื่นแต่ไม่เห็นใจตัวเองเวลาที่มันเกิดเพ่งโทษอะไรก็เห็นนะคะว่ามันเพ่งโทษแล้วเราก็ก็ไม่ได้คือหมายถึงว่าก็รู้ว่าเอ๊ะ เราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเพ่งโทษแต่มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเพ่งโทษเองอะค่ะไม่ขอโทะอรย์ไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเ๋วเดี๋ยวเดวเวลาอาจารย์ไปเห็นเขาเราเพ่งโทษเขาเนี่ยไม่ใช่เวลาอาจารย์ไปเห็นเขาใช่ไหมแล้วอาจารย์ไปเพ่งโทษเขาเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นแต่อาการเพ่งโทษหรอกมันมันพูดไปยังไงเวลาเราไปเห็นอาการเพ่งโทษ เราไม่พยายามเราเราไม่ใช่เป็นคนที่เหยียกับเพ่งโทษจิตมันเป็นเพ่งโทษเราห้ามไม่ได้ เ, เราจะพยายามจะห้ามเฮ้เราทำไมเป็นคนอย่างนี้ว่ามันก็พูดแต่ลับพระจะพูดแต่มันไม่เห็นเนตรงนี้ก็รเราไปเห็ตนตัวเราเนี่ยแต่เราจะไปเห็นเนี่ยอาการเพ่งโทษหรืออะไรอย่างเดียวเห็นแต่ว่ามันไปรู้อลัคาการอะไรในปัจจุบนันจะต้องพูดอยู่เสมอในะเหตุปัจจุบันปัจจุบนันขนาดปัจจุบันขนาดแม้แต่ไม่เห็นอาการเพ่งโทษเขาเขาก็พูดอีกใช่ก็บอกว่าจะไปเห็นแต่อาการเพ่งโทษเขาแต่เห็นว่าเวลาเราไปเห็นอาการเพ่งโทษเขาเนี่ย เราตัวเราบนมันยังไงพูดไ ป, ไปยังไงอเราเห็นคิดตัวเราตลอดตอนนี้คงจะเห็นถูกตัวแล้วล่ะคะ่ะอืมเ ข, เข้าใจตัวนี้นะ่ะเพราะหลวงตาชี้เห็นแล้วเพราะก่อนหน้านี้นี่คือเข้าใจผิดก็มัวจะไปนึกถึงไอ้เกลียอาการข้างนอกหมดเลยไม่ได้เคย มันนึกถึงไอ้เจ้าตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นในตัวเราตรงนี้เลยอะค่ะเห็นตัวเนี้ยเราไม่ได้เห็นก็จะไปปรกฏบมันเห็นแล้วก็ปล่อยวางมันไปปล่อยวางมันไปปล่อยวางไปว่าให้มันหลุดพ้นจากตัวนี้ไม่ใช่ว่ามีตัวเราหลุดพ้นหรอกให้มันหลุดพ้นจากตัวเราไปเมื่อเราเห็นตัวเราเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยขี้บ่นกินงุ้งง้งงุ้กุ้งงิ้งเป็นใจจุ่มจุ่มกิุงมกินจุ่มกินจุ่มกิใจตลอดเนี่ย มันก็ปล่อยวางตัวเราไปไม่มีตัวเราปล่อยวางเราหลุดพ้นออกไปอีกหรอกมีแต่ปล่อยวางตัวเราไปหลุดพ้นจากตัวเราไปไม่มีตัวเราหลุดพ้นจากตัวเรามีแต่หลุดพ้นจากตัวเราไปเลยตัวเราไปแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกับเนี่ยออกเลยนอกตัวเราไปแล้วก็มีแต่ความว่างเลยไอ้ตัวเราที่คี้บ่นที่คี้พูดที่มันงงหงิงงงหิงิตกวิจาร์เนี่ยเลยตัวเราไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ความว่างเหมือนกับออกไปนอกตัวเราเนี่ยมีแต่อากาศมีแต่ความว่าง หทำหลุดพ้นจากตัวเราไปแต่ไม่มีตัวเราหลุดพ้นจากตัวเราไปหรอกมีแต่หลุดพ้นจากตัวเราไปแต่ไม่มีตัวเราหลุดพ้นจากตัวเรามีแต่หลุดพ้นจากตัวเราไปให้จึงต้องเห็นตัวเราทุกขณะมันพูดอยู่ตลอดเวลามันบ่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเข้าใจแล้วเห็นุกตัวนี้จริงๆเหแือนก็พูดของมันอยู่ได้ก็ก่อนหน้านี้คือก็เห็นนั่นนะคะ แต่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ต้องการเห็นไหมคะความต้องไม่ต้องการคือสมัยก่อนไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยไม่ต้องการว่าให้เจ้านี้มันเกิดขึ้นอะค่ะเจ้าตัวนี้มันเกิดขึ้นนี่แหละค่ที่เข้าใจผิดผิดตรงที่ว่าไม่ต้องการให้ตัวนี้สิคือเห็นตัวนี้แต่แต่ไม่ต้องการให้ตัวนี้เกิดขึ้นนะคะอืมันคือวัตถุประสงค์ผิดนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้คําว่าพยายามในสมัยก่อนคือพยายามที่จะทํำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดกิริยาการแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งอย่างหลวงตาพูดก็คือมันต้องเกิดอย่างนี้ค่ะมันเกิดตลอดเวลาเลยแล้วก็เห็นมันตลอดเวลาแต่ไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะกระทํายังไงก็ได้ที่จะห้ามไม่ให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือแต่ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือรู้แล้วว่ามันเกิดก็ต้องเกิดนะคะก็ปล่อยมันเกิดแล้วก็แค่รู้เฉยๆค่ะตอนนี้มองถูกตัวละค่ะแล้ว่งหลายคนเขาเข้าใจผิดพยายามไปตะกดไอตัวภายในเนี่ยไอตัวเราอ่ย ให้มันรับรู้อะไรแล้วให้มันนิ่งๆให้มันรับรู้อะไรแล้วให้มันว่างใช่ทำอย่างนี้จริงๆหลวงตาหนูก็ทำอย่างนี้มาตลอดเลยเพราะไม่เข้าใจเพราะไม่ต้องการให้ไอ้สิ่งเหล่านี้ที่หลวงตาพูดยิก่๊กในใจเราเนี่ยเห็นมันตลอดไม่ต้องการให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วต้องการให้จิตมันสงบอ่ะค่ะให้จิตมันนราบเรียบสบายๆสงบสงบอย่างนี้ยค่ะ มันก็เข้าใจรมันก็เลยมีอาการแช่เป็นแนวที่มันแช่ค่ะแล้วเข้าใจผิดมาตลอดเพราะต้องการกําจับตัวนี้ค่ะเพราะเห็นตลอดเวลาว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยอะค่ะเนี่ค่ะมันก็คิดมันก็ทํำไงเห็นกริยาที่ดวงตาพูดเนี่ยค่ะตลอดเวลาค่ะแนนแนนจะเป็นมันตลอดเวลาแนน ตลอดชีวิตเราน่ะแหละไม่ว่าเราจะในป rie, ัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเรากระทบอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้อาการทางใจหรือรู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่ามีอาการอย่างไรเนี่ยมันจะต้องคู่ต้องบนต้องวิตกวิจารณ์ต้องจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกตลอดเวลาในใจอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ แต่เห็นมันแล้วก็ปล่อยวางมันเห็นว่าแล้วก็ปล่อยวางมันทิ้งไปซะปล่อยวางมันหมดจะได้หลุดพ้นจากไอ้ตัวเราจะขี้บ่นส้กทีแต่ไม่มีว่าตัวเราหลุดพ้นจากตัวเราคือปล่อยวางตัวเราพ้นหลุดพ้นจากตัวเราไม่มีใครไม่มีใครหลุดพ้นจากตัวเราเพราะว่าไอ้ตัวเรามันถูกปล่อยวางไว้จึงไม่มีตัวเราหลุดพ้นอีกมันมันกล่าวว่าตัวเราถูกปล่อยวางไปแต่ไม่มีตัวเราหลุดพ้นจากตัวเราไปอีกมีแต่หลุดพ้นจากตัวเราไป ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันบนไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรไปสัมผัสอะไรไปรู้อะไรทุกขณะดปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องบ่นต้องพูดต่อกันไปต่อกันไปเพิ่มเติมกันไปรู้อันใหม่อีกก็บ่นอีกพูดอีกวิโตวิจาร์อีกรู้อันใหม่อีกลู่เคลียานใหม่อีกมันก็พูดอีกบ่นอีกวิโตวิจาร์อีกไปรู้เคลียานใหม่อีกมันก็พูดอีกบ่นอีกวิโตวิจาร์อีกตลอดทชีวิตเราอย่างนี้เลยเราเห็นอย่างเนี้ยเราก็เบื่อหน่ายมัน นี่แหละค่ะเห็นแล้วก็หาทางแก้ไขอคะค่ะสมัยก่อนเรไม่ได้แก้ไขามาเราเบื่อหน่ายมาื่อเราเลยวางมันไปปล่อยวางมันไปให้หลุดพ้นจากตัวนี้ซะพอไอ้ตัวก่กอทุกข์กอดโทษก่อดเรื่องก่อดราวแล้วก็คือไอ้ตัวนี้แหนตัวขี้บนนี่ไหนไอ้ตัวเราขี้บนขี้พูดขี้บนนี่ไหนที่จริงๆเราไม่เห็นตัวนี้เราพ้นทุกข์ไม่ได้เราเอาแต่ตัวเราไปเห็นข้างนอกอืมแต่เราไม่เห็นตัวเราเนี่ยนะที่บอกค่ะ ตัวกระดองตายเข้าใจลนะอยู่ตลอดเวละแต่ไม่เคยเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขเขาอ่ะแล้วให้เขาแบบแหมเป็นจิตที่สงบเป็นจิตใจที่ดีไม่มีอาการยุกยิกหยุงหยิมหรือพูดหรือว่าอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเอาให้พ่นทุกพ่นทุกพ่นทุกรู้ทำเห็นทำพ้นทุกพ่นทุกเอาพดนไม้ก่อนเ่นไ่อะเข่บอกว่า คิดว่าคนคงจะเหมือนหนูอะค่ะเพราะไม่เข้าใจตัวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่านี่คือกิริยาการที่มันบ่นมันคิดอยู่อะค่ะคนไม่ไม่ไม่ทราบแล้วคนก็มองข้ามตัวนี้ด้วยแล้วก็ต้องการให้จิตดีอะค่ะแล้วไม่รู้อย่างสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดไงฮะเราก็เลยคิดว่ามันไม่ดีมันเกิดขึ้นเราต้องการแก้ไขให้มันดีจะต้องไม่เกิดสภาวะแบบนี้ขึ้น คือหนูคิดอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วที่หนูตามแก้อยู่ตลอดก็คือแก้สภาวะเหล่านี้ค่ะแล้วก็คือสภาวะที่หนูเรียนบอกหลวงตาหนูก็เห็นแบบ น, นี้เห็นตลอดเวลาที่มันเป็นอย่างเนี้ยค่ะแล้วหนูก็ต้องการทําให้มันดีแม่ตอไปเนี่ยมันก็จะเห็นมันตลอดเวลาเลยแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าหายไปหรอกมันไม่ว่าจะรู้อะไรเห็นอะไรต้องเตาจะหมุนรนกายใจมันจะบ่นอยู่ตลอดเวลาต่อเ น, นื่องกันไปตลอดเวลาเนี่ย ยวเนอันใหม่อีกมันรู้อีกมีไปเห็อการอันใหม่ไปรู้อันใหม่มันแม้แต่รู้ว่าตัวเราบ่นมันก็พูดต่ออีกมันไปรู้ตัวเราบ่นอีกมันก็บ่นต่ออีกอะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีจบสิ้นหรอกมันถึงบอกไอ้ตัวเราเนี่ยน่าเบื่อที่สุดเลยตัวเราขี้บ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ขี้ทุกขี้บ่นเนี่ยตัวเราในขี้ขี้รักกี้ชังขี้โกรธขี้แค้นเนี่ยมันก็เลยเออมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆไอ้ตัวเนี้ยจะปล่อยวางตัวเราไปหมดสิ้นปล่อยวางตัวเราไป ทิ้งหลุดพ้นจากตัวเราไปมันก็เลยกลายไปเป็นความก็เลยเหมือนกับเนี่ยอะไรที่มันเลยตัวเราไปมันก็เป็นความเป็นอากาศจากระที่ว่างเปล่าเนี่ยมันเลยไอ้ตัวขี่บ่นไปมันก็เลยเลยพ้นไปเลยพ้นจากตัวเราขี่บ่นไปมันก็เลยเป็นใจมันก็เลยเหมือนกับเป็นจักรวาลเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวจักรวาลทิ้งไปแล้วก็ไอ้ตัวขี่บ่นรอมันจะกว่ามันจะตายอพอมันตายแล้วไอ้ตัวขี่บ่นมันก็ดับแต่ใจเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นธรรมชาติอันเดียวกับ จักรวาลที่ว่างเปล่าแล้วที่หนังสืองตามมหาบัวที่ว่าอวกาศแห่งจิตเดิมแท้อวกาศแห่งจิตเดิมแท้กลับตะคืนไปสู่ไอจิตเดิมแท้แท้หรือจิตอ้างเดิมแท้แของเราหรือต้นจิตของเราแท้แท้ตั้งแต่ต้นเน่ะมันมาจากจักรวาลอวกาศอวกาศของจักรวาลเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นอวกาศเป็นอวกาศอืเป็นดังอวกาศเป็นดังนะเป็นดังอวกาศอย่างนั้นเลย จิตเดิมแท้หรือใจเนี่ยมันเป็นดั่งดั่งเดิมแท้เนี่ยมันเป็นเหมือนดั่งอวกาศขอมันหลุดพ้นจากตัวเราแค่นั้นแหละใจหรือจิตดั้งเดิมแท้เนี่ยมันมันว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับอวกาศไปเลยแต่แม้พูดอย่างเนี้ยคนก็ยังหลงอีกพยายามปล่อยวางตัวเราแล้วทําความรู้สึกให้ตัวเราเนี่ยไปว่างเปล่าดูดอวกาศอีกเอาตัวเราไปอีกแบกตัวเราไปต่อไปในอวกาศอีกเอาไปเป็นอย่างนั้นอีก จริงหลวงตาหนูก็ทานี้มาตลอดหนูต้องการให้หนูเนี่ยนะคะมีสภาวะจิตเหมือนอวกาศแล้วก็อยู่ในความว่างสบายตลอดเวลาแล้วที่มันยุ่มยิม้มยุกยิกหนูก็เห็นและเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วก็เห็นว่ามันพูดอะไรของมันต่อไม่พอใจหรือว่าอะไรต่อจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันหยุดไม่ได้มันก็มันยุ่มยิ้มอยู่ในใจหนูอะคะ่ะที่หนูเคยเรียนให้หลวงตาทราบว่าหนูไม่เคยหยุดมันได้เลยที่หนูเห็นตัวเนี้ยค่ะ มันไม่เคยหยุดได้เลยทําไมเรารู้แล้วมันทําไมถึงไม่หยุดมันก็ยังทุกิ๊กทุกข์ของมันต่อไปอีกอันนักตามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันอยู่นอกบังคับของเรามันเป็นอนัตตาเจ้าึงดอกมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆมันเป็นตัวสมมุติมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้ไงเราจึงบังคับมันไม่ได้หนูค่อยสบายใจขึ้นตั้งเยอะเลยอะค่ะตอนนี้วันก่อนนี่สุรีมาก็เป็นแบบนี้ยมันนึกว่าเป็นโลกศาสตร์ มันอีูตัวของมันเนี่ยจุกจิกจุกิกุกิกอยู่ในใจอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดเลยมันก็เป็ตัวเมย์เป็นโลประสาทเนี่ยผมมันเข้าใจตรงนี้มันเลยโล่งและสบายใจไปมากเลยว่าเอ้ยก็ไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องปล่อยวางมันคือตัวเราพี่แหนจริงจริงมันเป็นอย่างนี้เลยตัวไอตัวเราเนี่ยมันจะต้องบ่นอยู่ตลอดพูดอยู่ตลอดวิวิจารณ์อยู่ตลอดค่ะ ทีนี้ก็ไม่ต้องไปผักไสแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปหาทางแก้ไขเขาแล้วอะฮะเ <kle j> ข้าใจแล้วมันก็หยุดแล้วอหลวงตามความเข้าใจมันก็หยุดแล้วอะฮะเดี๋ยวดีเข้าใจแล้วหยุดหยุดไม่ถือว่า <kle j> ไ, ไม่ต้องไปหาทางที่บอกว่าหยุดที่ว่ า, วาหาเกริยาอาการที่จะต้องมาต่อต้านเขาหรื อ, อามาแก้ไขเขา่ห<า>ยุดเกริยาอาการเหล่านี้แล้วอะค่ะตอนนี้ไม่ใช่ไปหยุดไม่ใช่การขี่บ่นนะปาเป่าให้เห็นแล้วก็รู้เมื่อกี้หนูก็เห็นหลายเที่ยวแล้วก็เนี่ยห่ามันก็ าเห็นเห็นอยู่ตลอดมันทําจริยานี้อยู่ตลอดแหละค่ะอย่างนั้นแหละมันจะได้กลับคืนสู่จั ก, กรวาลเดิมอวกาศแห่งจิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมแท้แท้ของเราเนี่ยวิือใจเนี่ยมันมีสภาพเป็นแบบเดียวกับความว่างของจักรวาล น, นี่แน่เป็นความว่างเปล่าจักรวาลมันจะได้ไม่เป็นตัวที่ล่ออ ย, อยอยู่ในจักรวาลอยู่ในภพทั้งสาม กามาโลกรูประโลกอรูประโลกเราเนี่ยผูกดูดล่องลอยอยู่ในภพทั้งสามเนี่ยมาอ่นานธรตการอยู่ในสามแสนโลกธาตุเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้หลุดพ้นจากตัวเราถ้าเราหลุดพ้นจากตัวเราไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวเราที่ขี้บนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแต่ตัวขี้บนมันยังไม่ตายก็รอมันตายซะก่อนรอมันแตกดับซะก่อน มันถึงจะหายบนและแต่คนไปแล้วคนจะไตัวเราขี้บ่นไปแล้วหรือคนจะตัวเรขี้บ่นไปแล้วมันก็เลยกลายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในจักรวาลจริงๆแต่ตอนเนี้ยเพียงแต่ว่าเออใจมันไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลมันว่างเปล่าไปอยู่ตลอดเวลาแต่ไอจิตมันก็ขี้บ่นมันอยู่ตลอดเวลาตัวเราก็ขี้บน่นตลอดเวลาเหมือนเดิมมาแหละอืมแต่เมื่อไหรเนี่ยพอถึงข่าวที่อายุขไขัยเนี่ย ไอ้ตัวที่บนมันก็ดับคือเรียกว่าไอ้ธาตุกับขันเนี่ยมันดับมันแตกออกไปแต่ไอ้ใจที่มันจิตจิตตั้งเดิมมาแทนเนี่ยมันเป็นความที่หลุดพ้นจากตัวเราไปแล้วหลุดพ้นจากไอ้ขันหน้าไปแล้วไอ้ขันหน้เลยดับแต่ไอ้ความว่างเปล่าเนี่ยมันคงเป็นความความว่างเปล่าไปเป็นนมตรรเราพยายามหลีกเลี่ยกไมายามไม่อยากจะพูดเรื่องความว่างกลัวที่มันจะเอาตัวเราไปจับความว่างไอ้บทที่จบร่างมโนภาพ เรียนทางลัดเนี่ยมันจะเอาทางลับอยู่ๆมันก็ไปเอาความรู้สึกว่างขึ้นมาเลยโดยไม่ได้ปล่อยวางตัวเราแล้วพอปล่อยวางตัวเราหมดที่มันก็กลายเป็นใจมันเลยกลายเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลโดยอัตโนมัติมันว่างเพราะว่ามันปล่อยวางขันห้าปล่อยวางตัวเราที่เป็นขนันหน้าทีขี้บนที่พูดขี้บนที่จุกจิกจุกจิกจินเนี่ยมันปล่อยวางหมดมันก็เลยใจมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของจักรวาล รอจนสิ้นอายุไข่ไอ้ขันห้าหรือตัวเราที่ขี่บนขี่พูดขี่บนขี่จุกิจิกิจิกจิกตลอดเวลาเนี่ยที่เราไปดับมันไม่ได้ทําไงก็มันไม่ได้เนี่ยมันก็แตกดับไปแต่ใจมันเป็นความว่างเปล่านึงเดี๋ยวจักรวาลจแล้วมันหลุดพ้นจากขันห้าไปแล้วมันตายแต่ขันห้าแต่ใจมันเป็นความว่างมันเจะแล้วมันเลยไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับการปฏิบัติมันก็มาสิ้นสุดแค่ตรงนี้เนี่ยที่เราพยายามจะบอกจะสอน่ะ หลายปีก็อย่างนี้แนะ่แต่พอพูดอย่างนี้มันหลายคนก็ทําผิดมันมักง่ายแล้วก็จะทําทางลัดไปสร้างความรู้สึกว่างๆเหมือนจักรวาลได้เลยอแล้วเอาตัวเราก็ไปไ ป, ไปอยู่ในความว่างในจักรวาล น, นั่นเลยมันก็เลยไปสร้างโลกบ้านน้อยหอยสังไว้ในใจตนเองไปสร้างโลกแห่งความว่างโลกเออไม่ยอมรับรู้อะไรคือหลวงตาพระพาวจิตขนาดนี้เนี่ยนะคะคือ มันก in like ็รู้สึกเหมือนกับว่าเราสบายใจแล้วเรารู้สึกว่าดีใจว่าเราเข้าใจตรงจุดนี้เราเห็นเจ้าตัวนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าเราจิตเราโปร่งขึ้นตั้งเยอะเลยอ่ะค่ะแล้วพอฟังหลวงตาพูดตอนนี้ยมันก็เหมือนจะเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะค่ะตอนนี้อาการตอนนี้อะค่ะเออก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอะไรมันก็ต้องรู้ด้วยมันเป็นอะไรก็ธรรมชาติอยู่แล้วเป็นอะไรก็ต้องรู้ว่าเป็นอะไรอยู่แล้วซึ่งสมัยก่อนเราพยายามจะทําแบบนี้ค่ะ แต่ก็ทําไม่ได้เท่าที่ควรคือสมัยก่อนพยายามหาทางธทำอะค่ะเราไม่ได้ไปทํพยายาไปทําอะไรนะป่อยวางนะปล่อยวางตัวเราไปตลอดเวลาไม่จะพยายามไปทำ อ, ปอะไรว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็คือเห็นเขาไม่ชัดเจนนะคะหลวงตามาระยะหลังนี้ค่ะที่เห็นสิ่งเหล่าเนี้ยชัดเจนมากๆเลยอ่ะค่ะ แล้วพอหลวงตามาชี้ให้ดูตรงจุดนี้ก็เลยทํำให้เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นคือก่อนหน้านั้นก็ว่าเอ๊ะมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกเหนื่อยหน่า ย, ายว่าเอ๊ะคบทําไมชอบเกิดอาการอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่เคยหยุดเขาได้เลยค่ะเราหยุดไม่ได้แล้วก็เคยถามใครถามตั้งหลายคนว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้กิริยาการทําไมมันเป็นอย่างนี้พอเรารู้แล้วมันทําไมยังต้องมีอาการยุบยิ้มยุยิ้ยุบยิอย่างนี้ อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราห้ามไม่ได้ตรงนี้ะค่ะที่ที่ที่แปกใจคือไม่สามารถห้ามเขาได้เลยอ่ะค่ะแล้วพอห้ามไม่ได้ปุ๊บเราก็จะไปหยุดเขาแล้วก็ใจเราก็จะไปอัน้นแล้วก็แน่นหน้าอกขึ้นมาทันทีเลยอ่ะค่ะหลวงตากเราไปทําผิดธรรมชาตินั้นเป็นอ น, นัตตา ม, มันห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอํานาจของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอะไราทาผิดธรรมชาติ เราไพยายามไปเบรคไปห้ามไว่ามั น, น, นกน็เลยแน่นจุกอึดอัดหมดบางคนมันรังเกียจอาการแบบนี้มันก็เลยพลิกไปถูกความรู้สึกว่างๆก็เลยใช่ไปอยู่ความรู้สึกนิ่งๆก็เลยอ่ะอันเนี้ยหลงเข้าอยู่ในโลกไ อ, ไอ้โลกเรียกโลกส่วนตัวโลกบ้านนอนเขาให้สังโลกที่อารมณ์ที่ตัวเองสร้างไว้เลยค่ะหลุดไปเลยหลุดโลกไปเลยเนี้ยค่ะแต่มันติดอยู่ในโลกโลกเ อ, อ๋อ